วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปไม่มีวันหยุดมันทำงานมีวันหยุดแต่เวลานี้เขาไม่มีวันหยุดเขาผ่านไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เอาชีวิตของพวกเราไปทีละคนสองคน ชีวิตของพวกเรานี้ผูกติดไว้กับเวลาพอมีอายุมากขึ้นมากขึ้นชีวิตก็เหลือน้อยลงแล้ววันใดวันหนึ่งชีวิตของพวกเราก็จะต้องสิ้นสุดลงพอสิ้นสุดลงแล้วเราก็จะไม่สามารถทำอะไร ได้ต้องรอให้มีชีวิตใหม่ก่อนต้องรอให้กลับมาเกิดใหม่ก่อนถึงจะมาทำอะไรใหม่ได้อีกช่วงที่เราตายก็เป็นเหมือนช่วงที่เรานอนหลับช่วงที่เรานอนหลับมันก็อยู่ไปกับความฝันต่างๆเราก็หา หาเรื่องหาเราหาเหตุการณ์ต่างๆมาแก้เหงาด้วยการฝันถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ฝันถึงคนนั้นคนนี้ฝันถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างนี่คือ เวลาที่เราไม่มีร่างกายเหมือนตอนที่เรานอนหลับเวลาเรานอนหลับนี่เหมือนเราตายไปชั่วคราวตอนนั้นเราไม่สามารถใช้ร่างกายพาเราไปทำอะไรต่างๆตามความอยากของเราได้เราก็เลยต้องใช้เหตุการณ์ที่เรา ได้บันทึกเอาไว้ในขณะที่เราตื่นในขณะที่เราตื่นเราก็ไปทําอะไรต่างๆกันทําสิ่งที่ดีบ้างทำทำสิ่งที่ไม่ดีบ้างคือทําบุญบ้างทําบาปบ้างแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เรากระทามันก็จะถูก บันทึกเอาไว้ในใจของเราเวลาที่ร่างกายเราไม่ทำงานเวลาที่ร่างกายพักผ่อนหลับนอนเราก็เอาเหตุการณ์ที่เราได้บันทึกไว้ในใจของเรามาปรุงแต่งมาสร้างเหตุการณ์ให้เราได้เพลิดเพลิน ก็แล้วแต่เหตุการณ์ที่เราไปบันทึกไว้ว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบไหนถ้าเป็นเหตุการณ์ที่สนุกสนานเป็นเหตุการณ์ที่ดีเราก็จะมีเหตุการณ์ที่ดีให้เราได้สัมผัสรับรู้ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดี มีการต่อสู้กันมีการแข่งแย่งกันมีการทำร้ายกันเราก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีให้เราได้ประสบพบเห็นในขณะที่เราหลับเหตุการณ์เหล่านี้เราเรียกว่าฝันความฝันแต่ในขณะที่เราฝันนั้นเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังฝันกัน เราจะคิดว่าเรากาลังอยู่ในเหตุการณ์จริงๆ <Yeah. S 1> เวลาสุข ก, ก็สุขจริงๆเวลาทุกข์ก็ทุกข์จริงๆ <Yeah. S 1> จะมารู้สึกตัวว่าเป็นความฝันก็ตอนที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาตอนนั้นเราถึงจะรู้ว่าอ๋อเมื่อกีนี้เป็นความฝัน yeah. แต่มันก็เป็นความจริงสำหรับเราในขณะนั้นตอนที่เราตายก็เป็นแบบเดียวกับตอนที่เรานอนหลับต่างกันตอนที่ตรงที่ว่าเวลาเรานอนหลับเราหลับไม่นานหลับไม่กี่ชั่วโมงเราก็ตื่นขึ้นมาเรายังพอหนีออกจากเหตุการณ์ที่เราเดือดร้อนวุ่นวายใจได้ ตอนที่เราตื่นแต่ถ้าเราตายไปนี้เราจะฝันยาวจะมีเรื่องราวต่างๆให้เราได้รับรู้ได้รับเห็นในมโนภาพของเราแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะนานสักเท่าไหร่กว่าที่เราจะตื่นขึ้นมาใหม่ ตอนที่เราตื่นขึ้นมาใหม่ก็คือตอนที่เราได้ร่างกายอันใหม่นั่นเองตอนที่เราคลอดออกจากท้องแม่มาตอนนั้นเราก็ได้ร่างกายของทารกร่างกายอันใหม่เราก็จะลืมตาขึ้นมาแล้วเราก็จะเริ่มใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆ ทำสิ่งต่างๆที่เราอยากเห็นอยากได้อยากทำต่อไปตอนนี้เรายังไม่ตายเรายังาสามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ในใจของเราได้บันทึกเหตุการณ์ที่ดีไว้ดูต่อไปเวลาที่เราตายได้ หรือจะบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่ดีไว้ดูตอนที่เราตายก็ได้เราเป็นเหมือนกับเป็นผู้ผลิตรายการเราสามารถเลือกผลิตรายการต่างๆได้จะเป็นรายการภาพยนตร์รักภาพยนตร์สนุกสนานภาพยนตร์ท่องเที่ยวภาพยนตร์ รับประทานอาหารก็เราก็สามารถผลิตายการเหล่านั้นขึ้นมาได้หรือถ้าเราเป็นพวกที่ชอบประชนภัยเราก็ไปบันทึกภาพยนตร์ที่มีการการความหวาดเสียวต่างๆมีภัยชนิดต่างๆหรือเราชอบสงครามเราก็ไปบันทึก ภาพสงครามต่างๆด้วยการไปต่อสู้กับผู้นั้นผู้นี้คนนั้นคนนี้มีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้แก่งแย่งชิงดีต่อสู้กันมันก็จะถูกบันทึกไว้ในใจของเราพอเวลาที่เราไม่มีร่างกาย เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันก็จะปรากฏขึ้นมาในมโนภาพของใจให้เราได้ได้เสพได้สัมผัสเป็นเหมือนโลกเสมือนจริงเพราะตอนนั้นเราจะไม่รู้ว่าเราฝันเราจะคิดว่าเรากำลังอยู่ในเหตุการณ์จริงกันอันนี้คือส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ของสิ่งต่างๆ ที่เราจะสามารถทำให้กับเราได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราจะทำบุญก็ได้จะทำบาปก็ได้ถ้าเราทำบุญเราก็จะได้มีเรื่องดีๆให้เราได้รับรู้ถ้าเราทำบาปเราก็จะมีแต่เรื่องไม่ดีให้เรารับรู้ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำให้กับเราได้คือการกระทาของเรานี่มันจะเป็นตัวที่จะกำหนดอนาคตของเราต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่อนาคตของเรายังไม่หมดเรายังมีทางเลือกที่จะไปอยู่ได้สองทาง คือเราจะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปหรือเราจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้แต่การที่เราจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้เราต้องมีคนสอนเราต้องพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะมีคนสอนวิธี ที่จะให้เรานี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างที่เราเป็นอยู่กันขณะนี้การมาเกิดครั้งนี้ของเรานี้ไม่รู้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเรามาเกิดตายกันอยู่เรื่อยๆมาเกิดแล้วก็มาทาบุญทาบาปกันแล้วพอตายไปเราก็ ไปอยู่ในโลกของดวงวิญญาณแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปจากที่เราทํากันไว้ต่อจากนั้นเราก็ไปได้ร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่แล้วก็มาทําแบบเดิมกันอยู่ตัวที่ทําให้เรากลับมาเกิดมาทําอะไรต่างๆตา ม, ตา ม, ตา ม, ตามที่เราทํากันอยู่นี้ พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นความอยากความอยากสามประการด้วยกันคือหนึ่งความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเรียกว่ากามตัณหาความอยากในกามความอยากชนิดที่สองก็คือภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น นะความอยากชนิดที่สามเรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากทั้งสามนี้เป็นตัวที่จะผลักดันให้ดวงวิญญาณของพวกเราหลังจากที่แยกตัวออกจากร่างกายแล้วจะไปหาร่างกายอันใหม่เพราะการที่จะ การที่จะตอบสนองความอยากทั้งสามนี้ได้จําเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ถ้าเราสามารถกําจัดความอยากทั้งสามได้กําจัดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นลดผดทพสะได้กําจัดความอยากที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ได้กําจัดความอยากที่จะไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ได้ะ เราก็จะไม่มีความอยากมาผลักดันให้ใจของเราไปรับไปหาร่างกายอันใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่ใจของพวกเรานี่สามารถอยู่มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็เหมือนช่วงที่เราตายไป ช่วงที่เราไม่มีร่างกายดวงวิญญาณของเราก็อยู่ต่อไปเพียงแต่ว่ามันยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุญหรือบาป ท, ที่เราทำไว้เรายังมีความอยากเศษรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เราก็เลยอาศัยเหตุการณ์ที่เราได้ทำไว้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่มาเป็นตัว เป็นสิ่งที่ให้เราเสกกันแต่ถ้าเราไม่มีความอยากที่จะเสกสิ่งต่างๆแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปนี่จิตของเราจะเสบความว่างแทนเพราะไม่มีความอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีความอยากที่จะมีจะเป็นอะไรไม่มีความอยากที่ไม่มีไม่เป็นอะไร จิตก็เสพความว่างอยู่กับความว่างได้ซึ่งความว่างนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเสพอะไรแล้วสิ่งที่เราเสพมันมีวันสิ้นสุดเพราะมันไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพกันเสพแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปภาวะต่างๆที่เราอยากเป็นกัน เป็นแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปวิภพภาวะที่เราไม่ต้องการจะเสพหนีมันไปเดี๋ยวมันก็เจอมันอีกไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นถ้าเราอยากจะพบกับภาวะที่ไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีทุกข์เราต้อง เลิกความอยากทั้งสามนี้ให้ได้เเพราะความอยากทั้งสามนี้มันจะผลักดันให้เราไปหาสิ่งต่างๆมาเสพมาให้ความสุขกับเราแต่สิ่งต่างๆที่เราหาได้มันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นและเครื่องมือคือร่างกายที่เราใช้ในการหาสิ่งต่างๆมาเสพก็เป็นของชั่วคราว เวลาที่มันไม่สามารถทำหน้าที่มันได้มันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ทรมานเพราะเราไม่สามารถเสพสิ่งที่เราอยากจะเสพไดเ้เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติด เ, เวลาไม่สามารถเสพยาเสพติดได้เช่นไม่มียายาหมด หรือไม่มีเงินไปซื้อยาหรือร่างกายไม่สามารถที่จะเสพได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานกับใจเป็นอย่างมากแต่ถ้าเราเลิกเสพยาได้เวลาไม่มียาเสพใจจะไม่ทุกข์ทรมาน์เวลาไม่มีเงินซื้อยามาเสพก็ไม่มีปัญหา เวลาร่างกายไม่สามารถเสพได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาถามตัวเราเองว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำตามความอยากกันหรือว่าเรากำลังกาจัดความอยากกัน พอถ้าเราทําตามความอยากกันความอยากก็จะพาให้เราไปเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องไปทุกข์กับการเกิดเพราะว่าเวลาเราเกิดมาเราก็รู้ว่าบางทีเราก็ได้ความสุขบางทีเราก็ไม่ได้เวลาที่เราไม่ได้ ความทุกข์ก็เข้ามาลุ่มเล้าจิตใจของเราหรือเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เราได้ไปความทุกข์มันก็ตามมาเข้ามาอยู่เรื่อยๆหรือเวลาที่ร่างกายของเราไม่สามารถทำอะไรตามความอยากของเราได้เวลานั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ นี่คือสิ่งที่เราต้องสอนใจเราให้เห็นให้ได้คือให้เห็นว่าการมาเกิดของพวกเรานี้เป็นการมาหาความทุกข์กันถึงแม้ว่าจะได้ความสุขบ้างแต่ก็เป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่จะต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาที่ หาไม่ได้ก็จะเป็นเวลาที่มีความทุกข์ทรมานใจวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องมาเจอปัญหาเหล่านี้ก็คือเราต้องอยากกลับมาเกิดกันและการที่เราจะไม่กลับมาเกิดได้เราก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้ และการที่เราจะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้เราต้องมีเครื่องมือเราต้องมีอาวุธเพราะว่าถ้าเราไปหยุดมันด้วยมือเปล่าๆนี้เราหยุดไม่ได้เหมือนกับเวลาที่ยางแตกนถยนต์ยางแตกเวลาเราจะเปลี่ยนยางไหมถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราก็จะเปลี่ยนไม่ได้ ถ้าเราไม่มีแม่แรงที่จะยกล้อให้ลอยขึ้นไม่มีเครื่องมือที่จะคลายตัวน็อตที่ผูกให้ล้อติดอยู่กับรถเนี่ยเราก็ถอดน็อตไม่ได้ยกถ้ายกไม่มีแม่แรงจะใช้กำลังของเราก็ยกไม่ไหวต้องมีเครื่องมือ ถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนอย่างได้ฉันใดการที่เราจะมาหยุดความอยากต่างๆที่พาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดในตายพบกันนี้เราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะทําให้เราสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ทําให้เรา ยุติการเวียนว่าตายเกิดได้ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เราต้องมีศีลเพื่อที่จะได้ไปสร้างสมาธิพอเรามีสมาธิเราก็จะมีกําลังที่จะไปสร้างปัญญาต่อไปต้องเป็นเครื่องมือสนับสนุนกันเหมือนก่อนที่จะยกก่อนที่จะเปลี่ยนยางได้เราก็ต้องมีแม่แรงก่อน ยกยกล้อให้ลอยขึ้นก่อนแล้วเราก็ใช้เครื่องมือขันน็อตคลายน็อตออกพอคลายน็อตออกแล้วเราก็จะเอาอยางที่แตกออกไปได้แล้วก็เอาอยางใหม่ใส่เข้าไปได้นี่ก็เหมือนกันการที่เราจะไปหยุดความอยากได้เราต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือ แต่ก่อนที่เราจะมีปัญญาได้เราต้องมีสมาธิก่อนและก่อนที่เราจะมีสมาธิได้เราก็ต้องมีศีลก่อนมันเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนกันศีล ส, สนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญาพอได้ปัญญาแล้วก็สามารถที่จะหยุดความอยากทั้งสามได้ หยุดความอยากเสพการเสพรูปเสียงกลิ่นรดได้หยุดความอยากที่จะมีอยากจะมีอยากจะเป็นได้หยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้เนี่ยพอหยุดความอยากทั้งสามได้หมดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาผักดันดวงวิญญาณของพวกเราให้ไปมีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปเี่ย เราก็จะอยู่ในโลกของจิตวิญญาณไปซึ่งความจริงจิตวิญญาณของเราก็ไม่เคยมาอยู่ในโลกนี้ในขณะนี้ถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเราอยู่ในโลกนี้แต่ความจริงเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้จิตใจของเราตอนนี้อาศัยร่างกายเป็นผู้ส่งข้อมูลต่างๆไปให้กับเราที่อยู่อีกที่หนึ่ง เราคือจิตใจด้วยจิตวิญญาณนี้อยู่อีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าโลกทิพย์เนี่ยเหมือนกับสมัยนี้เขาสามารถส่งยาณอวากาศไปสำรวจดาวอังคารได้เขาส่งยานอวากาศไปสำรวจยานก็มียานอวากาศก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีกล้องมีที่บันทึกเสียงมี เครื่องวิเคราะห์อะไรต่างๆแล้วเขาก็ส่งข้อมูลเหล่านี้จากยาณอวากาศกลับมาที่โลกนี่คนที่ควบคุมยานอวากาศนี้ไม่ได้ไปกับยานอวากาศแต่ก็เหมือนกับว่าได้ไปเพราะได้เห็นได้ยินอะไรเหมือนกับที่ยาณอวากาศกำลังได้เห็นดวงวิญญาณของเรานี่ ด้จิตใจของพวกเราตอนนี้อยู่ในโลกทิพย์กันแล้วเราก็ส่งร่างกายเราก็มาหาร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือสำรวจโลกนี้เพราะร่างกายนี้มีกล้องคือมีตามีไมโครโฟนคือมีหูมีตาหูจมูกนิ้นกายที่จะรับสัมผัส ที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายได้คือรับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเข้ามาได้แล้วใจของเราก็ส่งเครื่องรับมารับข้อมูลคือส่งกระแสของดวงวิญญาณที่มารับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆวิญญาณนี้เราเรียกว่าวิญญาณในขันหน้า วิญญาณที่มาเกาะที่ตาเรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่มาเกาะที่หูเรียกว่าโสตะวิญญาณแต่ละวิญญาณนี้จะทำหน้าที่แยกกันไปเลยวิญญาณที่รับรูปก็จะรับรูปอย่างเดียวไม่สามารถรับเสียงได้วิญญาณที่รับเสียงก็จะรับเสียงอย่างเดียววิญญาณที่รับกลิ่นรับรสรับสัมผัส ก็จะทำหน้าที่ของมันไปจิตใจของพวกเรานี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายเหมือนกับคนที่ควบคุมยานอวากาศนี้ไม่ได้อยู่ในยานอวากาศแต่สามารถควบคุมได้ด้วยการใช้สัญญาณวิทยุติดต่อกันได้ยานอวากาศก็ส่งสัญญาณมา ผู้ควบคุมยา อ, อกากาศก็ส่งสัญญาณตอบโต้กันได้เนีจิตเราก็มีสัญญาณรับและสัญญาณส่งสัญญาณรับก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณห้าแล้วสัญญาณที่สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวทาอะไรต่างๆก็คือสังขาร ความคิดปรุงแต่งนั่นเองอย่างเช่นตอนนี้พวกเรากำลังนั่งอยู่อย่างนี้ก่อนที่เราจะลุกขึ้นมาได้นี้ต้องมีคำสั่งมาก่อนสั่งว่าตอนนี้ถึงเวลารุกขึ้นแล้วมันถึงจะลุกร่า ง, างกายของเรานี่เป็นเหมือนยานวาวกาศที่กำลังสำรวจดาวังคารอยูนะ่แล้วผู้ที่ควบคุมยานวาวกาศ อยู่ที่โลกนี้จะส่งคำสั่งไปว่าอตอนนี้ไปสำรวจตรงมุมนี้น ะ, ะไปทางซ้ายวันพรุ่งนี้ไปทางขวาน ะ, ะมันก็ไปสำรวจแล้วพอมันเห็นอะไรมันก็ถ่ายภาพส่งกลับเข้ามาให้ที่ผู้ผู้ควบคุมยานอวากาศอีกทีนี่อันนี้แหละคือความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจของพวกเรากับร่างกาย จิต ใ, ใจของพวกเราไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่เชื่อลองค้นหาดูในร่างกายในร่างกายนี้ถ้าชำแหละออกมาค้นออกมาจำแนชำแหละแยกแยะอาการต่างๆก็จะมีแต่อาการสามสิบสองจะมีแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอะไรต่างๆอาการต่างๆเหล่านี้ มันเป็นอาการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนประกอบของร่างกายเหมือนกับส่วนประกอบของยานอวากาศนะลองไปล้กค้นยารอวากาศดูจะไม่เจอผู้ควบคุมยานอวากาศอยู่ในยานนั้นหรอกก็จะเห็นแต่เครื่องม้เครื่องมือที่เขาสร้างกันติดตั้งไว้ในยานอวากาศนั้นถนนเองแต่ผู้ที่สั่งการผู้ที่รับข้อมูลนี้ไม่ได้อยู่ในยานอวากาศเนี่ร่างกาย ใจของเราไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่ใจเรารับรู้เหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับว่าเราอยู่ในร่างกายจึงทำให้เราตกใจเวลามีอะไรมากระทบกับร่างกายทั้งๆที่เราไม่ได้อยู่ในร่างกายทั้งที่สิ่งที่มากระทบกับร่างกายไม่สามารถมากระทบอะไรกับเราได้เลยแต่เราก็ไม่รู้เพราะเราถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าเรา อยู่กับร่างกายเป็นร่างกายไปเหมือนเวลาเราดูหนังสามมิติเนี่ยนี่รถไฟมันจะวิ่งออกจากจอมาชนเราไนยะใครดูหนังสามมิติที่มันมีรถไฟมีจรวดมีเครื่องบินวิ่งออกมาจากจอไหมเหมือนจะวิ่งเข้ามาชนคนดนะูอันนั้นก็เหมือนกันนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างใจกับร่างกาย ถ้าเราศึกษาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรามีความรู้ที่จะมาแก้วความหลงของเราได้ในอันดับหนึ่งในระดับหนึ่งคือมันจะสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นกับร่างกายนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราหรอกเราไปหลงคิดเองว่ามันเกิดขึ้นกับเราเพราะเราไปหลงคิดว่าเราอยู่ในร่างกายหรือไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายไปเลยเนี่ย ความจริงแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายนี้มันไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอะไรใจเราเลยใจของเราตอนที่ร่างกายเป็นเด็กกับใจของเราตอนที่เป็นผู้ใหญ่ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ยังเป็นเหมือนเด็กอยู่ยังมีนิสัยใจคอเหมือนเดิมอยู่ยังรักยังชังยังกลัวยังหลงอยู่ยังอยากยังยังอยากได้นู่นอยากมีนี่เหมือนเดิมอยู่ยังมี ตันหาทั้งสามอยู่เหมือนเดิมมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดก็ตามจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บหรือคนตายมันเป็นเรื่องของร่างกายมันไม่มีมันไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่องของใจเราเลยนะนี่คือ สิ่งที่เราควรศึกษาทำความเข้าใจว่าว่าตัวเรานี่ที่แท้จริงก็อยู่ในใจนี้ อ, ออกมาจากใจออกมาจากความคิดปรุงแต่งนีเง่เราคิดว่าเราเป็นเราเราก็เลยมีเราขึ้นมาเราคิดว่าเขาเป็นเขาก็เลยมีเขาขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่คิดมันก็หายไปหมด ทั้งเขาทั้งเราเช่นเวลาเราฝึกสมาธิเวลานั่งสมาธิทำใจให้สงบเนี่ยความคิดหยุดทางานชั่วคราวความจำว่ามีเรามีเขาก็หยุดทำงานชั่วคราวตอนนั้นเราเขาหายไปหมดเนี่เหลือแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวตัวรู้ที่คิด ที่จำนี้หยุดหยุดคิดหยุดจำก็เลยทำให้เหลือแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวเท่า น, นั้นนั่นหละที่มาของพวกเรามาจากตัวรู้นี่ตัวรู้นี่เราใช้ชื่อว่าเราเรียกมันว่าใจนี่เองใจคือผู้รู้ส่วนจิตนี่เราเรียกว่าเป็นผู้คิดเนี่ยผู้รู้ผู้คิดแต่บางทีเราก็ใช้จิตแทนใจกันฉะนั้นอย่าไป กังวลกับคำว่าจิตใจมากจนเกินไปว่ามันหมายความว่าอะไรบางทีก็มันก็หมายความว่าเป็นผู้รู้บางทีมันก็เป็นผู้คิดผู้จำได้หมายรู้ซึ่งมันก็มีอีกชื่อหนึ่งผู้คิดก็มีอีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งสัญญาก็คือผู้จำได้หมายรู้ความจำได้หมายรู้แล้วก็ยังมีความรู้สึกอีกตัวหนึ่งในใจ ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่ก็อยู่ในใจเนี่ยตัวร่างกายเองมันไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์เนีร่างกายมันเหมือนต้นไม้เนีเอามีดไปฟันต้นไม้ต้นไม้มันไม่รู้ว่ามันเจ็บหรือเจ็บเจ็บหรือไม่เจ็บเนีเอามีดไปฟัน ร, ร่างกายร่างกายมันก็ไม่รู้มันเจ็บหรือไม่เจ็บแต่ผู้ที่รู้มันเจ็บไม่เจ็บก็คือใจนี้เพราะใจไปรับความรู้สึก ผ่านทางวิญญาณเนี่ยหรือแม้แต่เห็นรูปก็ยังทำให้เกิดความรู้สึกที่ใจได้เห็นรูปที่ชอบก็เกิดความสุขใจขึ้นมาเห็นรูปที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้อยู่ที่ใจเนยความรู้สึกนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเพียงแต่ว่าร่างกายเป็นผูเ้เป็นผู้ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมา เช็นเดินแล้วไปหกล้มเนี่ยขาแพงเดินไม่ได้ร่างกายมันไม่รู้ว่ามันขาแพงมันไม่รู้ว่ามันเดินไม่ได้แต่ใจผู้ที่มาใช้ร่างกายนี้เป็นผู้รู้ว่าตอนนี้ขาใช้ไม่ได้เพราะมันเสียมันเจ็บเดินไม่ได้ นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจที่พวกเราควรที่จะศึกษากันว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรต่างๆที่เรามีกันได้เช่นความทุกข์ความกังวลใจเกี่ยวกับร่างกายนี้มันจะหายไปหมดได้ถ้าเรารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย มันไม่ได้มาทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เราก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มีความจำได้ไหมายรู้ผู้มีความรู้สึกสุขทุกข์และความรู้สึกสุขทุกข์นี้พวกเราก็สามารถที่จะรู้จักถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับความรู้สึก เราก็จะสามารถอยู่ได้กับมันโดยไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามใจของเรานี้จะสามารถอยู่กับมันได้อย่างไม่เดือดร้อนแต่เราต้องรู้จักวิธีสอนใจให้รู้จักวิธีปฏิบัติกับความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ ว่าเราจะปฏิบัติกับมันอย่างไรถึงจะทำให้ใจของเราไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนตอนนี้เรายังไม่รู้จักวิธีเวลาเราเจอความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมามันจะสร้างความวุ่นวายขึ้นมาให้กับใจเจอความรู้สึกสุขก็วุ่นวายวุ่นวายไปกับการคอยรักษามันพอเราได้ความสุขเราก็อยากจะให้มันสุขไปนาน ก็คอยวุ่นวายหาวิธีที่จะรักษามันเอแต่ทํายังไงเดี๋ยวมันก็หายไปเอเพราะมันเป็นธรรมชาติของความรู้สึกมันเปลี่ยนกันอพอเจอความทุกข์ก็วุ่นวายกับการวิธีที่จะไปกําจัดมันอีกเออเเราจะวุ่นวายกับความรู้สึกทั้งสามนี้เวลาไม่สุขไม่ทุกข์ก็วุ่นวายอยากจะให้มันสุขอีกเออ เวลามันไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่มีความสุขอีเองเวลาสุขก็อยากจะให้มันสุขไปนานๆอกีกก็วุ่นวายกับมันอกีกเวลาทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆมันก็วุ่นวายเนี่ยนี่คือปัญหาของพวกเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เราไม่รู้จักวิธีจัดการกับร่างกายของเรากับจัดการกับความรู้สึก ที่มากระทบกับร่างกายของเราเราต้องรู้เราต้องเข้าใจว่าความรู้สึกที่เราสัมผัสรับรูบร้กันเนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเหมือนธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นไหมลมพัดนี่เราไปสั่งให้มันพักสั่งให้มันหยุดไม่ได้เวลามันจะพัดมันก็พัดเนี่ย เดวเวลามันหยุดก็หยุดอากาศจะสั่งให้มันเย็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นร้อนเอนี่นเราต้องรู้จักธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ว่าเราทําอะไรได้หรือไม่ได้นถ้าเราทําไม่ได้อย่าไปวุ่นวายกับมันดีกว่าหัดอยู่กับมันไปดีกว่าเพราะใจเราเพียงแต่รับรู้เท่านั้นเองใจเราไม่ได้ไป อยู่ในเหตุการณ์นั้นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นคือร่างกายของเรานั่นเอแล้วร่างกายของเรามันอยู่กับทุกเหตุการณ์ได้เห็นไมถึงเวลาไปเผามันจับมันยัดเข้าไปในเตาไฟเผามันจนกลายเป็นขี้เถ้ามันก็มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรอยู่ที่ใจของเราที่ไปเดือดร้อนแทนมันเองเราต้องพยายามศึกษาทำความเข้าใจ ว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนยานอวากาศนะหรือเป็นหุ่นที่เราใช้ในการไปสำรวจไปอยู่ในที่ที่เราไปไม่ได้ดวงวิญญาณของเรามาอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ก็ เ, เลยต้องอาศัยร่างกายเป็นเป็นหุ่นยนต์ที่จะพาเราไปท่องเที่ยวในโลกนี้ได้ เวลาเราไปท่องเที่ยวนี้ความจริงเราไม่ได้ไปหรอกเราส่งหุ่นยนต์ไปส่งหุ่นยนต์ไปประเทศนั้นไปประเทศนี้เพื่อที่จะได้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสของประเทศนั้นของประเทศนี้แต่เราก็อยู่ที่เดิมเราอยู่ที่หอบังคับการอยู่ห้องควบคุมร่างกายอยู่ในโลกทิพย์ แล้วเราก็รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่หุ่นยนต์คือร่างกายของเรานี้ไปสำรวจส่งมาให้เราดูอ้อไปถ่ายไปเห็นภาพตรงนี้ไปได้ยินเสียงตรงนั้นได้ไปลิ้มรสอาหารตรงนั้นมีรสอย่างนั้นมีกลิ่นอย่างนั้นนีเน่เป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์คือร่างกายของเรามันไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะ ทำไมมันถึงไปเพราะใจของเรามันติดรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันก็เลยต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้มันได้เสพเพราะเวลาที่มันไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมันจะรู้สึกจืดชืดและอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายฮะถ้าเราอยู่บ้านจำเจไม่ได้ออกไปข้างนอกนี่เดี๋ยวไม่นานก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาอยู่กับความจำเจ เราเออกไปเปิดหูเปิดตาที่เขาเรียกเปิดหูเปิดตาไปหารูปเสียงกลิ่นรสแบบใหม่มาให้ดูเพราะแบบเก่านี้พอดูมันชินแล้วมันเบื่อไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเวลาไปใหม่ๆนี้โอ้ตื่นตาตื่นใจแต่ลองไปอยู่สักพักสิเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากจะย้ายที่คนที่อยู่ที่นู่นก็อยากจะมาที่นี่คนที่อยู่ที่นี่ก็อยากจะไปที่นั่น ก็เห <öst. S 2> <K> มือนกับคนที่ดูหนังเนะฮยถ้าดูหนังเรื่องเก่าเนี่ยเวาลาดูครั้งแรกโอ้ยเตือนเต้นเตือนใจพอดูครั้งที่สองรู้สึกชักจะเบื่อแล้ะถ้าจะจําได้นะพอครั้งที่สามครั้งที่สี่นี่ไม่ดูแล้วต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่เนี่ยพวกเราเหมือนกําลังดูหนังกันต้องคอยเปลี่ยนเรื่องใหม่ๆให้ดูอยู่เรื่อยๆเพราะดูเรื่องเก่าแล้วมันรู้ใปหมดละ มันรู้เรื่องหมดแล้วมันเลยไม่อยากจ ะ, กจะไปดูอยู่กับคนนี้อยู่เปนานๆมันรู้ล็ดของคนนี้หมดแล้วไม่อยากจะอยู่กับคนนี้นะอยากจะเปลี่ยนคนนะใช่ไหมใช้อะไรไปใช้ไปตั้งพักแ เ, เดียวมันก็เบื่อขับรถคันนี้ไปเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากจะเปลี่ยนรถคันใหม่เพราะมัน e มีของเล่นของแปลกของใหม่ให้เราเล่นอยู่เรื่อย ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ไปสักพักเดี๋ยวก็เบื่อนะรู้มันหมดแล้วว่ามันมีอะไรบ้างเขาอะไรต้องมีของใหม่มาล่อใจเรารุ่นใหม่ดีกว่ารุ่นเก่าสามารถทำอะไรได้มากกว่ารุ่นเก่านะมันก็เลยทำให้เราอยากจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนี่แหละตัวความอยากมันเป็นอย่างนี้มันทำให้ใจเราต้องหาอะไรแปลกๆใหม่ๆมาเสพอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่สามารถหาได้พอต้องอยู่กับ เรื่องเก่าๆ เ, เรื่องจำเจก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความซึมเศร้าขึ้นม า, เ, าเกิดความอยากจะฆ่าตัวตายขึ้นม า, เ, าเพราะไอหุ่นยนต์ตัวนี้มันทําหน้าที่หาของแปลกๆใหม่ๆ ม, มาให้ดูไม่ได้นะมันเอาแต่ของเก่ามาให้ดูเอหรือบางทีจะให้มันไปหาหรือไปทําอะไรมันก็ทําไม่ได้นะมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันพิกลพิการเน นี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาถ้าเรายัางต้องใช้ร่างกายและปัญหาที่ทำให้เราต้องใช้ร่างกายก็คือถ้าเรายังมีความอยากที่จะเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองเราก็จะต้องมาเจอกับปัญหาเหล่านี้ปัญหาที่เราเจอกันทุกวันนี้ก็จากความอยากที่เราจะใช้ร่างกาย ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันการจะหาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็ต้องมีกำลังทัพย์อีกก็ต้องไปหาลาบหายด์เพราะว่าถ้ามีลาบมียดนี้มันจะสามารถหาสิ่งต่างๆที่ใจอยากจะเสพได้เสพสัมผัสได้แต่ถึงมาจะหามาได้มันก็มีขอบเขตของมันเอง พอได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เบื่อก็ต้องคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนเท่าไหร่มันก็เบื่อแต่เวลาไม่ได้เปลี่ยนก็เบื่ออีกเหมือนกันเวลาเปลี่ยนก็เบื่อเปลี่ยนได้มาสักพักเดี๋ยวมันก็เก่ากลายเป็นของเก่าไปไม่ว่าจะเป็นอะไรจะดีวิเศษขนาดไหนก็ตามมันจะดีมันจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตอนที่ได้มาใหม่ๆ แต่พอเวลาผ่านไปพอเห็นมันจนจำเจซ้ำซากแล้วทีนี้มันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่แหละมันเป็นตัวที่ทำให้ใจของเรานี้ต้องวุ่นวายอยู่เรื่อยๆต้องวุ่นวายกับการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เพื่อรักษาอารมณ์คือความสุขให้อยู่กับเราอยู่นานๆแล้วเวลาที่เกิดความทุกข์เราก็พยายามดิ้นหลนหนีมัน อยู่ตรงนี้มันไม่สบายใจอ่ะย้ายที่ไปเที่ยวสักพักหนึ่งพอไปเที่ยวมันก็ลืมเรื่องเก่าที่อยู่ที่นี่ไปความทุกข์ที่อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เอาไปด้วยก็ไปดูที่ใหม่แต่ถ้าไปที่ใหม่นานๆเดี๋ยวก็ไปเจอความทุกข์ของที่ใหม่เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนงินไปอยู่เรื่อยๆตาตาบใดถ้าเรายังหาความสุขจากความอยากเหล่านี้อยู่ หาความสุขจากการมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาเราก็จะต้องไปเจอปัญหาไปเจอความไม่พอความไม่พอใจความเบื่อหน่ายความจำเจความซ้ํำซากแล้วมันก็จะทําให้เราต้องดินอยู่เรื่อยๆวุ่นวายกับการเปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรต่างๆ เปลี่ยนเท่าไหร่มันก็เหมือนเดิมได้ของใหม่มาสักพักมันก็ดีอกดีใจสนุกสนานเฮฮาเดี๋ยวพอมันจําเจมันก็เบื่อขึ้นมาอีกนี่นี่คือวิธีการหาความสุขของผู้ที่ไม่ฉลาดผู้ที่ไม่รู้ว่ามีวิธีหาความสุขอีกวิธีหนึ่งที่ดีกว่าวิธีที่เราหากันอยู่ ผู้ที่รู้นี่ก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเมื่อก่อนท่านก็หาความสุขแบบพวกเราท่านก็หาความสุขจากลาบยศสรัเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ท่านก็มีโอกาสได้เห็นอ น, นาคตของร่างกายของท่านเห็นว่าต่อไปร่างกายของท่านก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แล้วท่านก็ น, นึกภาพบอกว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วมันจะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งต่า ง, างๆผ่านทางร่างกายได้ตอนนั้นใจก็จะเกิดควา ม, มซึมเศร้าเกิดความว้าเหวเกิดความทุกข์ทรมานใจก็เลยคิดว่าต้องหาวิธีใหม่ก็ได้เห็นได้รู้จักมีนักพวกนักปวด ที่เขาไปหาวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขที่เกิดจากการทำใจให้นิ่งให้สงบพอเวลาใจนิ่งสงบแล้วก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่ไม่วุ่นวายไม่ต้องคอยไม่ต้องมาคอย หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้แล้วพอได้แล้วก็ต้องคอยดูแลรักษามันถ้าเกิดเวลามันสูญไปขาดไปมันก็ทำให้ความสุขที่หามาหายไปด้วยแต่ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้ไม่ต้องใช้อะไรมากเป็นเครื่องมือใช้ตัวของใจเนี่ยใช้เครื่องมือของใจก็คือสตินี่เอ ใช้สติเป็นเครื่องมือในการทำใจให้สงบถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถทำใจให้สงบได้ทุกครั้งเหมือนกับรถยนต์ที่มีเบรกสามารถสั่งให้รถยนต์หยุดได้ทุกครั้งที่ต้องการจะให้มันหยุดและไม่ต้องไปวุ่นวายกับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆไม่ต้องวุ่นวายกับร่างกายไม่ต้องวุ่นวายกับเงินทองไม่ต้องวุ่นวายกับสถานที่ กับสิ่งของต่างๆที่จะมาให้ความสุขเป็นความสุขที่เรียบง่ายที่สบายกว่าเยอะแยะเพียงแต่สร้างสติขึ้นมาเท่านั้นเองให้มีกำลังที่จะสามารถหยุดความอยากทั้งสามได้ความอยากทั้งสามนี่เป็นตัวที่ทำให้ใจเราต้องคอยไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับใจ พอหามาได้แล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้มามันก็จางหายไปความอยากได้ความสุขใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมามันก็จะคอยผลักดันให้ใจของเรานี้ต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งสิ่งนี้ผ่านทางร่างกายอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้สติเป็นเครื่องมือหาความสุขทางใจนี่เราไม่ต้องใช้ร่างกายเราไม่ต้องใช้เงินทอง เราไม่ต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรานี่คือการหาความสุขของคนฉลาดหรือพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นนั้นพระพุทธเจ้าก็ส่งไปเรียนรู้จากผู้ที่รู้เขาก็รู้วิธีที่ทาใจให้สงบแต่ยังเป็นความสงบแบบชั่วคราวยังเป็นความสงบที่ไม่สามารถ กำจัดความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจได้เพียงแต่หยุดมันเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทําลายมันเวลาเข้าไปในสมาธิความอยากก็หยุดทํางานชั่วคราวพอความอยากหยุดทํางานจิตก็สงบมีความสุขแต่พอออกจากสมาธิมาจิตก็เริ่มคิด เราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาเราเกิดความอยากขึ้นมาใจก็ร้อนขึ้นมาใจก็กะวนกระวายกระสับกระส่ายใจก็ไม่มีความสุขต้องดิน้นรนไปทําตามความอยากถึงจะทําให้เกิดความสุขขึ้นมาได้ว่าเวลาที่อยากได้อะไรพอได้แล้วความอยากนั้นก็จะสงบตัวลงเหมือนกับเข้าสมาธิไป ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่นั้นไม่มีใช่ไหมเวลาได้สิ่งที่เราอยากได้ดีใจมีความสุขนะแต่เวลาไม่ได้นี้มันกินไม่ได้นอนไม่หลับนะมันต้องดิ้นไปจนกว่ามันจะได้หรือจนกว่ามันจะยอมแพ้บอกว่ากูไม่ได้แน่ๆแล้วถึงยอมแพ้เท่านั้นถึงจะทำให้ความอยากมันหยุดได้แต่ไม่มีใครจะยอมแพ้กันไม่มีใครอยากจะยอมแพ้กัน มันต้องดิ้นกันแบบทบเป็นแทบตายจนกว่ามันไม่ได้จริงๆเค่นั้นมันอาจจะพัดไว้เดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป้าใหม่ถ้าเป้านี้สูงไปก็เอาเป้าที่ต่ำลงหน่อย <c oughs> มันก็จะทำให้จิตของเรายัางวุ่นวายใจอยู่เวลาออกจากสมาธิขึ้นมาไม่มีใครรู้วิธีว่าจะกำจัดความอยากตัวที่ทำให้เกิดความวุ่นวายใจนี้ได้อย่างไร พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงคน้นทรงนพบว่าสิ่งที่ทำให้ใจนี้อยากได้สิ่งต่างๆเพราะมองไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปถ้าเวลามันหมดมันก็ทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาใจไม่สบายขึ้นมา เห็นถ้าเราสอนใจว่าอย่าไปเอาเลยได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาหาใหม่หาใหม่อยู่เรื่อยๆสู้กลับไปหาความสุขจากความสงบดีกว่าก็เลยเปลี่ยนวิธีทุกครั้งที่อยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้ก็ไปเข้าสมาธิดีกว่าไม่เลิกไม่เลิกทาตามความอยาก แล้วสิ่งใดที่เราอยากแล้วเราห้ามมันไม่ได้ก็อยากไปอยากมันเช่นอยากให้ร่างกายเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราห้ามไม่ได้ก็อยากไปอยากมันบ่อยมันแก่บ่อยมันเจ็บบ่อยมันตายไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายหรือร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันอยากให้เขาไม่จากเราไปมันก็จะทำให้เราทุกข์แต่เราก็ห้ามไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่เขาจะจากเราไปเขาก็ต้องจากเราไป แล้วก็ปล่อยให้เขาจากออกไปเพราะเราทําอะไรไม่ได้ทําได้ก็คือทําใจทําใจเฉยๆทําใจให้สงบแล้วเราก็ไม่วุ่นวายใจ น, นี่เป็นวิธีการที่พุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ ค, คือปัญญาคือเห็นสิ่งต่างๆที่จะเราหามาให้ความสุขกับเราว่าเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวเวลามันหมดก็จะทําให้เราทุกข์ เวลามันหมดเราไปห้ามมันให้มันไม่หมดก็ไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราเราไปสั่งมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆพอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สามารถสอนใจให้เลิกหลงกับการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็จะเลิกความอยากได้เพราะกลัวความทุกข์ที่จะตามมานั่นเอง เหมือนกับถ้าเรารู้ว่าถ้าเราดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้เราจะเป็นโรคมะเร็งเราจะกล้าดื่มกันไหมแต่ถ้าเราไม่รู้เราคิดโอ้ยดื่มแล้วอเร็ดอร่อยสดชื่นเบิกบานเราก็ดื่มกันจนกว่าจะมีคนมาวิเคราะห์ว่ามีสารก่อมะเร็งขึ้นมาพอมีคนมาบอกพิสูจน์แล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็งนี่เราไม่กล้าแตะแล้วถึงแม้จะแจกฟรีก็ไม่เอานะ อันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เรายังไม่เห็นตายลักในสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นสุขกันเราต้องมานั่งวิเคราะห์ให้เห็นเห็นตอนที่มันหมดเห็นตอนที่มันดับเห็นตอนที่มันเบื่อถึงแม้มันไม่ดับบางทีมันก็เบื่อเพราะมันเหลือแต่ซากไอ้ตัวหวานหวานไม่รู้มันหายไปไหนกลายเป็นแต่ตัวขมโผลขึ้นมาเพราะคนเราเนี่ยมีทั้งขมมีทั้งหวาน เวลาไปเจอของขมก็เบื่อแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะความหวานหายไปนะให้มองอย่างนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมมีการหมดความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นก็จะหมดไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่พอเห็นว่าการไปหาสิ่งต่างๆนี้จะจบลงด้วยความทุกข์ก็อย่าไปหามันดีกว่าูอยู่กับความสงบดีกว่า เข้าสมาธิไปพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจไปใช้สติไปใจก็จะไม่ทุกข์แล้วใจก็จะเลิกความอยากต่างๆได้พอความอยากหมดแล้วทีนี้ใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายมาหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปเพราะว่านอกจากหาความสุขแล้วมันก็หาความทุกข์ ด้วยความทุกข์ที่ติดมากับร่างกายติดมากับความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากความไม่แน่นอนความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่เป็นของที่ไม่เที่ยงของที่เป็นของชั่วข่าวนั่นเองเราก็จะไม่เจอไม่ต้องเจอความทุกข์อีกต่อไป เราก็จะอยู่ที่เดิมเพียงแต่ตอนนี้ตอนนี้เราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ขุนเป็นเครื่องมือไปหาความสุขให้กับเราแนละ้วเพราะเรานั่งอยู่ที่ที่โตวควบคุมเราก็เพียงแต่ทาใจให้สงบพุทธโธพุทธโธความสุขอันวิเศษก็โผล่ขึ้นมาหรือว่าถ้าพอไม่มีพอไม่มีความทุกข์แล้วพอไม่มีความอยากแล้วความทุกข์ก็หายไปหมดนะ พอความทุกข์หายไปหมดความสุขก็เข้ามาแทนที่ทันทีความสุขมีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่มันโผล่ขึ้นมาไม่ได้เพราะมันมีความทุกข์มาคอยอบดบังเอาไว้เท่านั้นเองพอเรากําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้หมดไปได้ปั๊มใจก็จะเหือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะกระทํากันการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ก็ดีตรงนี้ดีว่าเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์นี้มายุติความอยากต่างๆได้ยุติความทุกข์ที่เกิดจากการใช้ความอยากเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้เพราะเรามีพระพุทธศาสนาเป็นผู้บอกทางเป็นผู้สอนทางเป็นผู้บอกวิธีให้เราหยุดความอยากต่างๆด้วยการสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาในใจของพวกเรา ฉันวันเวลาที่ผ่านไปผ่านไปนี้เราควรจะถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังก่อภพก่อชาติหรือเรากำลังมาตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดการก่อภพก่อชาติทำอย่างไรก็คือการทำตามความอยากต่างๆนั่นเองการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เป็นการ เป็นการก่อพบก่อชาเพราะจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากเหล่านี้มันไม่หมดไปกับสิ่งที่เราได้มาพอเราได้มามันหยุดชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดความอยากได้สิ่งอื่นต่อไปเหุ้นี้ถ้าเรายังหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่นี้ เท่ากับการเรากำลังหาพบถาชาติจองจองตั๋วไปเกิดใหม่ในชาติหน้าต่อไปถ้าเรามาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญานี่เรามาแคนเซลเราเคยจองตั๋วไว้จองโรงแรมไว้ของพบหน้าชาติหน้าเราก็บอกตอนนี้จะมาขอยกเลิกขอแคนเซลถ้าเราปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเรากำลังมาตัดพบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดนะ ถ้าเราไม่คอยถามตัวเองเราจะลืมเและเราจะถูกกิเลสมันคอยหลอกให้เราไปห า, าะลาภยศสารเสริญสุขต่อไปเพราะมันง่ายเราก็ยหามากับมันอยู่ตลอดเวลาเราชำนาญเหมือนเราถนัดมือขวาเราก็จะใช้มือขวาไปเรื่อยๆเราจะไม่อยากจะใช้มือซ้ายเพราะมันยากมันต่อการการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็เป็นของยาก ถ้าเรายังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแต่ถ้าเราพยายามฝืนบังคับให้มันปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะง่ายต่อไปมันก็จะง่ายเหมือนกับการหาลาบยศสรรเสริญสุขดังนั้นเราต้องคอยบังคับตัวเราให้มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันด้วยการมองมองถึงผลที่จะเกิดขึ้นถ้าหาลาบยศสารเสริญสุขก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าหา ศีล ส, สมาธิปัญญาก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่เอามาฝากท่านวันในวันนี้คือให้เราเตือนใจของเราด้วยการถามตัวเราเองว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังก่อภพก่อชาติหรือเรากำลังตัดพพตัดชาติเราต้องรีบทำเพราะเวลาของเรามันน้อยลงไปเรื่อยๆ ถ้าประมาทมัวแต่ไปเกาะพบก่อชาติถึงเวลาใกล้าตายจะมาตัดพบตัดชาติตอนนั้นมันจะไม่พอเวลาจะไม่พอแต่ถ้าเราคอยเตือนตัวคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆด้วยการบอกว่าเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตเราน้อยลงน้อยลงไปเราต้องรีบแล้วต้องรีบมาตัดพบตัดชาติกันต้องรีบมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากัน นี่คือสิ่งที่ขอมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร อ, อยะถ า, าวะเิวาปุราปาริปุเรนติสาขะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปกปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตจต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันาหราโสยธามณิโชติหราโสยธาสัพพิธิโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีธีขาโยโกภวะ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 เก้าร้อยหกครับเชิญถามได้นียาาครับขอความเมตตาจากพระอาจารย์ครับในเรื่องของการฝึกสติเรื่องของสมาธินะครับคือฟังจากเทปซีดีพระอาจารย์ได้สอนบอกว่าใจกับกายแยกส่วนกันไม่คนละส่วนกันเมื่อกายได้ละ ไปแล้วคือจากโลกนี้ไปแล้วคือสังขารเนี่ยแต่ใจยังอยู่อืมผมอยากอยากจะกราบขอความเมตตาจากพระอาจารย์ว่าใจยังอยู่เนี่ยอยู่อยู่ยังไงครับไปไปอยู่ในจุดที่ตัวเองได้บุญทําบุญสร้างกุศลไว้ในในชาตินั้นใช่ไหมครับใจก็อยู่ที่เดิมใจอยู่ในโลกทิพย์เนี่ยใจไม่มีรูปร่างหน้าตาอะไรไม่มีสถานที่เป็นจุดตรงนั้นจุดตรงนี้เอ เรียกว่าอยู่ในโลกทิพย์แล้วก็บุญบาป ท, ที่ฝังอยู่ในใจก็จะส่งผลในขณะที่ไม่มีร่างกายเป็นใจนี่เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนจอทีวีเนี่ยแล้วก็เวลาที่มีร่างกายใจก็ใช้ร่างกายไปบันทึกภาพต่างๆเวลาไปทำอะไรนี่มันบันทึกไว้หมดทำบุญทำบา ความรู้สึกที่เกิดจากการทำบุญทำบาปอะไรมันติดมันถูกบันทึกไว้หมดพอเวลาไม่มีร่างกายใจก็เอาเรื่องที่ไปบันทึกไว้มาฉายต่อถ้าไปบันทึกเรื่องดีเรื่องบุญมันก็มีแต่เรื่องดีให้ดู <Okay. S 1> ถ้าไปบันทึกเรื่องบาปมันก็จะมีแต่เรื่องเรื่องไม่ดีให้ดู <Okay. S 1> ช่วงนั้นใจก็จะอยู่กับผลของบุญของบาปไปจนกว่า จะได้ร่างกายอันใหม่ก็จะมาเกิดใหม่แล้วก็มาทำตามความอยากต่อไปคื mm hmm. อ, อ, อ, อใจแต่ใจไม่ได้มาเกิดเอาใจเพียงแต่ไปได้หุ่นยนต์คือร่างกายแล้วก็ใช้สัญญาณคือสังขารความคิดคอยสั่งการสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราใช้วิญญาณเป็นผู้รับออข้อมูลทางตาหูจมูกนิ้นกาย ใจก็อยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้มาอยู่ในโลกนี้กับร่างกาย mm hmm. ยังไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นในโลกนี้สมมติโลกนี้มีระเบิดนิวเคลียร์ตายกันไปทั้งโลกใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมอใจก็ไปหาร่างกายในโลกใหม่เพราะในจักรวาล น, นี้มันไม่มีโลกนี้โลกเดียวที่มีมนุษย์อยู่หรอกใช่ mm hmm. ไหมมีดวงดาวกี่แสนล้านดวง mm hmm. มันก็มันมันก็สามารถส่งกระแสะวิญญาณไปหาร่างกายอันใหม่ได้อื mm hmm. แล้วก็มาทำแบบเดิมต่อพอได้ร่างกายก็มาทำตามความอยากต่อหาความสุขจากการทำตามความอยากทำด้วยวิธีทำบุญบ้างทำด้วยวิธีทำบาปบ้างแล้วมันก็บันทึกเหตุการณ์ที่ดีไม่ดีไว้ในใจเวลาไม่มีร่างกายมันก็เอาเหตุการณ์ที่บันทึกมามาดูซ้ําใหม่ครับก็เวียนว่ายตายเกิด อ, อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ <c oughs> กับขอความเมตตาถามพระอาจารย์อีกสักข้อนะ่ครับการฝึกปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าครบเนี่ยก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไ้าสำเร็จได้สำเร็จครับตอนนี้นในเรื่องของศีลูุทิชนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างกับผมเองนะปฏิบัติในการนั่งสมาธิแต่ บางสินบางข้ อ, อยังรักษาไม่ได้บางข้ อ, อไม่ครบเนี่ยจะมีผลกับการฝึกสมาธิมีเพราะว่าถ้าศินน้อยผลที่ได้จากสมาธิปัญญา ก, ก็น้อยอถ้าศินมากผลจะได้จากสมาธิปัญญาก็มาเหมือนสร้างบ้านเนี่ยคุณถ้าฐานมันมีกำลังน้ำหนักยกรับน้ำหนักของตึกได้แค่สองชั้นมันก็ได้แค่สองชั้นะจะไปทาตึกสิบชั้นเดี๋ยวมันก็พังลงมา อยู่ที่ฐานศีล น, นี้เป็นเหมือนร า, ากฐานของบ้านสมาธิปัญญานี่เป็นเหมือนตัวบ้านเราจะสร้างสมาธิปัญญาได้มากก็ต้องอาศัยฐานคือศีลที่มีกำลังมากแต่เราไม่ต้องทำแบบแบบ ต้องทำให้ครบทันทีทันใดถ้ายังมีกำลังไม่พอเราก็สร้างบ้านไปขนาดเล็กไปก่อน <Okay. S 2> แล้วพอเรามีกำลังสร้างฐานใหม่แล้วก็ค่อยไปสร้างบ้านขนาดใหญ่ต่อไปตอนนี้เราจะรักษาศีลได้สองสามข้อก็รักษาไปก่อน <Okay. S 2> แล้วก็ทำสมาธิทำปัญญาได้ในระดับของศีลสองสามข้อนั้นต่อไปเราได้ห้าข้อมันก็ได้สมาธิมากขึ้นปัญญามากขึ้นตามลาดับไป okay. แล้วไม่มีใครจะเริ่มต้นทีเดียวแล้วก็ไปบวชได้เลยนอกจากคนบางคนที่มีของเก่ามาแล้วพอฟังทำแล้วก็ประทับใจสามารถที่จะทำทานคือยกสมบัติให้คนอื่นไปหมดแล้วก็ไปบวชได้ไปรักษาศีลของพระได้แต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็ทำเท่าที่เราทำได้ไปก่อนแต่ก็อย่าไปหวังผลมาก อย่าไปหวังสร้างตึกสิบชั้นในเมื่อเรามีรากฐานที่รับน้ำหนักได้แค่ตึกสองชั้น<อ>ก็เอาตึกสองชั้นไปก่อนก็มีคำถามเนเท่านี้ครับอาจารย์สงสัยแล้วนะโอเคํามสบายนะถ้ามีทวลาอยากจะไปก็ไปได้ เดี๋ยวไปท่างนี้ออกพันนี้คับคำถามจากข้างบนนี้นะครับคำถามแรกการพิจารณาอสุภะต่างกับการพิจารณาร่างกายอย่างไรครับคืออสุภะนี่แปลว่าความไม่สวยงาม evet. การพิจารณาร่างกายนี้มีพิจารณานในหลายมุมมองด้วยกันพิจารณาว่าไม่เที่ยงก็เป็นมุมมองหนึง่งคือร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอันนี้เรียกว่ามุมมองของอนิจจังไม่เที่ยมพิจารณาในมุมมองของอนัตตาก็มองว่าร่างกายไม่มีตัวตนร่างกายเป็นเหมือนหุ่นยนต์ผลิตขึ้นมาด้วยดินน้ำนมไฟมีอาการ32เหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่ผลิตขึ้นมาด้วยชิ้นส่วนต่างๆแต่ไม่มี ผู้ขับไ ม, ม่ผู้ขับไม่ได้อยู่ในรถยนต์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์ใจคือเรานี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราเป็นเพียงผู้มาขับรถยนต์อันนี้พิจารณาเพื่อสอนใจให้เปลี่ยนความเปลี่ยนทัศนะความเห็นจากการที่ไปคิดว่าเราเป็นร่างกายว่าเราเป็นคนมาขับร่างกายเราเป็นเหมือนคนมาขี่ม้าเราไม่ได้เป็นม้า แต่ตอนนี้เราคิดว่าเราเป็นทั้งคนขี่เป็นทั้งม้าไปด้วยอันนี้คือการพิจนารณาอนัตตาส่วนการพิจารณาสุภาะเพื่อให้เราเห็นว่าร่างกายไม่สวยงามน่าเกลียดมีของเน่าเหม็นจะได้เราไม่จะได้ไม่เป็หลงมีแฟนมีครอบครัวอยู่คนเดียวได้ถ้าคนเห็นนาสุภาะแล้วจะไม่มีการมาราคะไม่มีการอารมณ์ แต่ถ้าไม่มีเห็นอสุภะเดี๋ยวเห็นอะไรก็คิดว่าสวยๆงามๆน่ารักน่าหลอ่อก็อยากจะได้เขามาเป็นแฟนแต่พอเห็นตับไตไส้ภุงเขาเห็นขี้เห็นเยี่ยวเขามันก็ไม่เอาดีกว่าเนี่ยท่นั้นแหละนี่คือการพิจารณาร่างกายมีอยู่สามมิติด้วยกันสี่มิติความจรงิงไม่เที่ยงเป็นการเปลี่ยนแปลง หน้าตามไม่มีตัวตนอสุภะไม่สวยไม่งามแล้วก็ทุกข์อีกอันหนึ่งร่างตายนี้เป็นกองทุกข์ทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายทุกข์จากการที่จะต้องหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูมันทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้เห็นไหมโรคไข้หวัดระบาดที่ทุกข์กันไปทั่วมุมมอง นี่คือการพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าการมีร่างกายนี้มีโทษมากกว่ามีคุณเพื่ออะ้รเราจะได้ไม่อยากจะมาเกิดอีกต่อไปในปัจจุบันนี้พิจารณาโครงกระดูกกับหนังที่เหี่ยวอยู่ครับถ้าพิจารณาแล้วข้างในเกิดความสะเทือนไม่มากให้พิจารณาไปจนกว่าจะเป็นสัญญาใช่ไหมครับ และหลังจากนั้นเราต้องพิจารณาให้ลงไตรลักษณ์เองหรือปัญญาจะเกิดเห็นกฎไตรลักษณ์ขึ้นเองครับอ๋อมันเห็นเพราะเราคิดบ่อยๆเห็นความตายมันก็จะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยไปดูสร้างศพเราต่อไปเนี่ยเราไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งความจริงการไปงานศพนี่ความจริงเ้าเราต้องการให้เราไปดูศพกันแต่เราเอาศพแช่ยเย็นแช่แข็งจนโดยทั่งมองไม่เห็นศพกัน แล้วก็เอารูปคนตายที่ยังเป็นอยู่มาติดไว้ที่หน้าหน้าโลงศพมันก็เลยไม่ได้ไปงานศพไปงานเลี้ยงกันไปเึี่ยก็มีข้าวต้มข้าวอะไรมาเลี้ยงกันแล้วก็ไปเฮฮาไปคุยกัน ถามสาวรักทุกข์สุขดิบบางทีโอกาสที่จะเจอกันไม่ค่อยมีนะจะมาเจอกันก็ช่วงงานศพนี่เราไม่ได้ไปคิดถึงความตายกันเลยไม่เคยพิจารณาความตายว่าต่อไปเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นต้องไปนอนอยู่ในโรงอย่างนั้นแล้วสมบัติอะไรต่างๆที่เราหากันมาแทบเป็นแทบตายมันก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวอันนี้คือการไปงานศพไปพิจารณาความตาย คำถามจากผู้ฝากถามตัวรู้ของสมาธิในฌานสี่กับของพระนิพพานมีความเยือกเย็นต่างกันไหมครับถ้าอยู่ในสมาธิไม่ต่างกันะแต่เวลาออกจากสมาธิความเยือกเย็นมันจะหายไปแต่ของนิพพานนี้ไม่หายเพราะตัวที่จะมาทําให้ความเยือกเย็นหายไม่มีคือความอยากต่างๆไม่มี <c oughs> คำถามจากคุณมาโนธทำสมาธิมาสามปีบริกรรมพุทโธอยากถามว่าเมื่อไรจะถึงฌานสี่ครับและจะมีวิธีใดจะปฏิบัติให้ถึงได้เร็วขึ้นครับออลองทำทั้งวันทนะั้งคืนอยู่สักสองสามวันอยู่เลยนัออ่นมันต้องติดต่อกันดี๋ยวททำแบบกระต่ายวิ่งสองเก้าแล้วก็ไปเที่ยวไปเล่นเนาเดี๋ยวกลับมาวิ่ง2 3กสองสามเก้าต้องทาแบบเต่า คานไปเรื่อยๆคานไปเรื่อยๆถึงแม้จะช้าก็ทำไปอย่าหยุดพอหยุดปั้มมันขาดตอนเวลากลับมาเหมือนเริ่มต้นใหม่เนะี่มันก็ไปไม่ถึงไหนสักทีมันต้องทำอย่างต่อเนื่องเท่านั้นมันถึงจะไปได้คำถามจากคุณวันผู้หญิงนั้นถ้าหากฝึกตนให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญา สามารถมีโอกาสบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไหมเจ้าคะหรือเฉพาะผู้ชายครับมีผู้หญิงเป็นภิกษุณีเป็นแม่ชีเป็นพระอรหันต์กันเยอะแยะไป<ม>แต่ว่าน้อยกว่าพระเท่า น, นั้นก็เลยไม่ค่อยได้ยินข่าวาวของทางผู้หญิงลองไปอ่านภิกษุณีดูนะในในประวัติในพระไตรปิฎก<ม>ใน ภิกษุณีปิดอกมีวินัยของภิกษุณีจะมีเักเล่าภิกษุณีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม่ของพระพุทธเจ้าผูท้ที่แม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าผู้ที่ขอบวชเป็นภิกษุณีองค์แรกก็บรรลุเป็นพระแ้หก mm ัน hmm. หรือบางคนไม่ได้บวชก็บรรลุได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ไม่ได้อยู่ที่หญิงหรือชาย อยู่ที่นั่งบวชหรือารวะอยู่ที่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้สมบูรณ์หรือไม่คําถามจากคุณศิริลักษณ์การไม่เบียดเบียนตนเองเป็นลักษณะแบบไหนครับกินเล่าเมาเลยเบียดเบียนตนเองคิดว่าเป็นความสุขแต่เบียดเบียนตนเองเสพยาเสพติดเสพอบายะมุกเนี่ยเบียดเบียนตนเองไปทำร้ายผู้อื่นก็เบียดเบียนตนเองเดี๋ยวก็ต้องไปติดคุกติดตารางเห็นไหม ไปป้นร้านทองไปฆ่าคนนะตอนนี้ไปอยู่ไหนนะตอนนี้ก็ไปติดคุกนะการเบียดเบียนผู้อื่ก็เป็นการเบียดเบียนตนเองหรือการเบียดเบียนตนเองเราไม่เบียดเบียนที่ผู้่นก็เป็นการเบียดเบียนตนเองคำถามจากคุณนรงกรเมื่อคืนผมฝันว่ากระโดดขึ้นลงเหมือนลอยได้พร้อมกับคำภาวนาพุทโธด้ครับ ความฝันแบบนี TM ้จะถือเอาเป็นแก่นสารสาระได้ไหมครับก็อยู่ที่ว่ามาทําประโยชน์ได้หรือเปล่ามาทํำจิตให้มีสักความสงบได้หรือเปล่าได้สมาธิหรือเปล่าได้ปัญญาหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ก็อย่าไปสนใจมันค่ะำถามจากคุณจินคอปผู้รู้เป็นผู้รู้แล้วใครเป็นผู้สั่งครับที่สั่งเราเพราะความอยากใช่ไหมครับเพราะความหลง หลวงคิดว่าความสุขอยู่ตรงนน้นตรงนี้ก็เลยสั่งให้เราไปหามันแต่ความสุขที่เราหลวงคิดว่าเป็นความสุขมันมีความทุกซ่อนอยู่ด้วยนานๆจะมีคนฉลาดมาคนพบว่ามีความสุขแบบไม่มีความทุกซ่อนอยู่ก็อยู่ที่ความสงบนี่ให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบใหม่ให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบ คำถามจากคุณวัชร์พยาธิที่อยู่ในร่างกายของคนมีจิตวิ ญ, ญญาณหรือไม่ครับไม่มีแรวาวสิ่งที่จะมีจิตวิ ญ, ญญาณต้องมีตาหูจมูกนิ้งกายเพราะวิว ญ, ญญาณมันอยากเสบรูปเสีงยงกลิ่นรสมันไม่ไปเกาะกับสิ่งที่ไม่มีรูปตาหูจมูกนิ้งกายมันไม่ไปเกาะต้นไม้ต้นไม้มีชีวิตแต่ไม่มีตาหูจมูกนิ้งกายไม่เกาะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร มันต้องไปเกาะที่ร่างกายของคนหรือของสัตว์ในราชาเนี่ยที่ไหนมีตาหูจมูกลิ้นกายความอยากเสพรูปเสียงกลิ่น่านมันก็จะดึงไปให้ไปหาเองคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามมีลูกชายชอบชกต่อยในงานต่างๆจะปฏิบัติอย่างไรเจ้าค้าขอพระอาจารย์จีน่ด้วยก็สองออก่งไปฝึกท้ย่ย่ า, า, า, า, ายบวยเลยให้มันใช้อาชีพนี้ไปเลยมันเก่งท้งนี้มึงก็ไปเรียนทางนี้เลย จะได้ชคอย่างเต็มที่มึงอยากจะชค ก, กับใครเลือกโชคได้เลยเปลี่ยนอย่าไปสง่งไปเรียนหนังสือส่งไปฝากให้เรียนอยู่ที่ค่ายมวยค่ายไหนค่ายหนึ่งที่ก็รับรับเด็กไปฝึกไปซ้อม อ, อาจจะกลายเป็นแชมป์โอลิมปิกขึ้นมาก็ได้คําถามจากคุณนิยาคําถามแรกศินห้าแบบโลกุตระกับโลกิยะต่างกันอย่างไรครับ อโลกุตระก็คือไม่ต้องบังคับมันเป็นธรรมชาติไม่ทําโดยเด็ดขาดแต่โลกิยะนี้ต้องคอยบังคับเพราะมันยังอยากทําอยู่เพราะยังมีความอยากพออยากได้อะไรเดี๋ยวอดที่อยากจะขโมยไม่ได้แต่ถ้าเป็นโลกุตละไม่มีความอยากได้อะไรก็ไม่รู้จะไปขโมยอะไรทําไมอืม คำถามที่สองทำไมวิญญาณถึงสวดมนต์ได้ทำบุญก็ได้แต่ทำไมถึงไม่ได้บุญหรือต้องประกอบด้วยรูปกับนามถึงจะทำบุญแล้วได้บุญครับไม่รู้ใครบอกว่าวิญญาณสวดมนต์ได้ไม่รู้เวลาวิญญาณเวลานั่งกายตายไปมันก็เหมือนกับตอนนอนหลับทำอะไรได้บ้นอกจากเสดบุญกับบาปในรูปแบบของมนโนภาพที่ปรากฏขึ้นมาในใจนั่นเอง คำถามจากคุณไภัยทูลเมื่อคลุกอาหารรวมกันแล้วควรพิจารณาว่าอย่างไรครับต่อไปก็กลายเป็นขี้พิจารณางไงรู้ไหมกินเวลาเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องไปอยู่ในท้องไปคุกกันในท้องอีกทีนึงแล้วต่อไปมันก็จะออกมาจากทวารหนักก็กลายเป็นขี้ไปพิจารณาให้มันคบอนอรบวงจรเลย คำถามจากผู้ฝากถามใจที่จากร่างกายนี้ไปแล้วก็ไปตามบุญและบาปแต่ทําไมตามสื่อเขาเห็นว่ามีวิญญาณอยู่ตามที่ตรงที่ต่า ง, างจุดนั้นจุดนี้พวกนั้นทาไมไม่ไปตามบุญหรือบาปหรือว่าวิญญาณกับจิตคนละตัวกันครับเขาไม่เห็นจริงก็ไม่รู้เขาเห็นอะไรเคลื่อนไหวหน่อยเขาก็ว่าเป็นวิญงวิญญาณขึ้นมาบางทีลมพัดก็ว่าเป็นวิญญาณมา้าทะกระดูกก็ว่าผีมาวิญญาณมา พวกนี้มันแบบกระต่ายตื่นตัวมาพอลูกตาหลงมาข้างตัวก็คิดว่าแผ่นดินไหวกระโจนไปแล้วนยแล้วก็หลอกให้คนอื่นเชื่อไอ้ไหลอกให้สัตว์อื่นเชื่อกันไปจนต้องไปเจอราชสีบอกมันแผ่นดินไหวตรงไหนวะบังคับให้พากลับไปดูที่สถานที่เกิดเหตุไปดูจริงๆก็เห็นลูกตา อันนี้ก็เหมือนกันสิ่งต่างๆที่แล้วที่ทางสื่อเขาเสนอมามีเวียญาณตรงนั้นนี้มันเป็นเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นเรื่องกระต่ายตื่นตูนทั้งนั้นเนี่ ย, ยวิญญาณจริงเขาไม่มายุ่งกับเราเหรอกเขาก็ไปตา ม, มเขาก็อยู่ในโลกของความฝันเขาแล้วนะเขานอนหลับฝันไปแล้วก็จะมายุ่งอะไรกับใครที่ไหนไคำถามจากคุณฟรีดอมการพิจารณาต้องพิจารณา ขณะที่เราอยู่ในฌานหนึ่งสองสามหรือสี่หรืออุปจารสมาธิครับเในตอนที่เราอยู่ปกติตอนนี้ตอนที่เรานั่งฟังธรรมนี่พิจารณาได้เลยฟังธรรมไปก็พิจารณาไปเวลาอยู่ในฌานไม่พิจารณาเราต้องการให้มันสงบไม่ว่าจะฌานใดก็ตามอยู่ฌานหนึ่งเราก็ต้องการให้มันเข้าฌานสองเข้าฌานสามเข้าจนกว่าจะถึงฌานสี่เ น, นเวลาทาสมาธิไม่ใช่เวลาพิจารณาธรรม เวลาอื่นพิจารณาได้ยกเว้นเวลาทําสมาธิเท่านั้นที่เราไม่พิจารณาทำคําคถามจากคุณเย็นเคยได้ยินมาว่าเวลาทําบุญถ้าใจเป็นสุขถึงจะได้บุญถ้าทําบุญแล้วรู้สึกเฉยเฉยจะได้บุญไหมครับ <f Lud> ก็ได้แบบน้อยคือบุญนี้แปลว่าความสุขใจ <f rog> ที่ทำแล้วรู้สึกเฉยเฉยเพราะว่ายังทําไม่ถึงใจ ถ้าเปรียบเทียบก็กินอาหารยังไม่อิ่มเพราะยังทําน้อยไปทําไมเหมือนกับเรากินข้าวใช่ ไ, ไหมบางทีกินไปสองสามคำแล้วรู้สึกเฉยๆเพราะยังกินน้อยไปลองกินให้มากขึ้นเลย่ยกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อิ่มเลยถ้าทําบุญร้อยบาทรู้สึกมันเฉยๆลองสักพันหนึ่งดูถ้าพันยังรู้สึกเฉยๆสักหมื่นดูเลยเดี๋ยวมันต้องรู้สึกอะไรขึ้นมาแน่ๆลับรองได้ พดยเฉพาะการกระทำที่ทําให้คนอื่นเกิดความสุขเราต้องรู้ด้วยว่าทนะําะทาให้ผู้อื่นเกิดความสุขเราถึงจะได้บุญแต่ถ้าเราเอาเงินไปใส่ตู้บริจาคบางทีเราไม่รู้เ้าไปทําอะไรบางทีมันใส่ไปแสนหนึ่งมันก็ยังเฉยเฉยอยู่ใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าเงินในตู้บริจาคนี้เขาจะไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์ ยิ่งทํามากประโยชน์ยิ่งเกิดมากมันก็ทําให้เราเกิดความสุขมากขึ้นไปเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าการงบุธธรรมบูรหงเราจะทําให้เกิดประโยชน์อย่างไรทําให้เกิดความสุขกับผู้อื่นได้อย่างไรเมื่อรู้แล้วนั่นแหละเวลาทำมันจะทําให้เราเกิดความรู้สึกความสุขขึ้นมาเช่นสมมุติคุณกําลังจะกินข้าวอยู่เนะียเห็นขอทานเดินโ ซ, โซเซมาคุณสงสารมันนะยอมสละข้าวให้มันกินยอมอดทั้งมื้อหนึ่ง เราดูซิควรจะสุขใจไม่สุขใจถึงแม้ร่างกายจะหิวแต่ใจกลับอิ่มะอิ่มด้วยความสุขที่เราได้สละอาหารมื้อนี้ของเราให้กับคนที่เขาแย่กว่าเราคนที่หิวกว่าเร า, าการทำบุญมันจะต้องดูด้วยว่าทำแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรขึ้นมาทำแล้วคนเรียลายมาส่งเรียลายไปบางทีไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะไม่รู้เข้าไปทำอะไร แล้วเขาบอกมาว่าเขาจะท ำ, รทำรหรือทำหรือจริงหรืไม่จริงเราก็ไม่รู้อีกไงเห็นไหมการทำบุญต้องทำแบบที่เราได้สัมผัสกับเราเองจะจะเกิดความรู้สึกแน่นอนกว่าปล่อยนอกปล่อยปลานี่เห็นไหถ่ายชีวิตวัวควายถ่ายชีวิตปลาที่เขาจะเอาไปข่าที่ตลาดนี่แล้วเรามาย้อนมองย้อนกลับว่าถ้าเราเป็นปลาบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรต้องทำอย่างนั้นนะมันถึงจะมีความรู้สึกเกิดความสุขใจขึ้นมา โดยความภูมิใจที่เราเสียสละความสุขของเราให้แก่ผู้อื่นได้ครับแ ล, แล้วการกรวดน้ำถือว่าเป็นสาระสำคัญอะไรไหมครับเอานะ้าไม่สาระสำคัญแต่การอุทิศบุญแบ่งบุญนี้ยังทำได้ถ้าเราเป็นห่วงบรรยายคนที่ตายไปว่ากลัวเขาจะอดอยากขาดบุญ เราก็แบ่งบุญที่เราทํานี้ไปให้กับเขาได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำกรวดเพียงแต่ใช้น้ำใจคือความคิดของเร า, าบุญที่ได้ในวันนี้ขอแบ่งให้คนที่ร่วงรับไปแล้วคนนั้นคนนี้ไปถ้าเ้ารอรับอยู่เขาก็จะเอาไปได้หมดแล้วนะอยากจะถา ม, มอะไรไ่มไม่แล้ข้ามาแ้าอยากนะถามเข้ามา เมื่อสกครูที่มีคำถามเรื่องอสุภะค่ะโยมยังไม่ค่อยเข้าใจอับพระอาจารย์อธิบายให้ละเอียดกว่านี้ได้ไหมคะการที่โยมพิจารณาอสุภะอยู่เนี่ยคะ่ะว่ า, า, าเพื่อตัดความกามอารมณ์ความอยากจะมีแฟนอยากจะนอนกับแฟนแถ้า<ถ>เห็นแฟนน่ารักก็อยากจะนอนกับเขาใช่ไหมแต่ถ้าเห็นแฟนน่าเกลียด ก, ก็อยากไม่อยากจะนอนเขาถ้าเห็นผิวหนังเขากายไม่เกรียมขึ้นมานี่อยากจะไปนอนกับเขาไหม แต่ถ้าเห็นผิวหนังเนียนๆขาวๆสวยๆหรือถ้ามีผิวหนังมีสิวมีฝ้างมี้ตกกะอยากจะไปนอนกับเขาไหมดูงั้นดูความไม่สวยงามของร่างกายแล้วถ้าพิจารณาไปแล้วมันยังไม่ได้ถึงจุดนี้คะ่ะเราควร ห, หาจุดให้มันเจอมันต้องมีของที่น่าเกลียดในร่างกายที่เราไม่อยากจะเห็นนะอยากจะดูปอดก็ไหมอยากจะเห็นโครงกระดูกก็ไหมเขามีโครงกระดูกเขเปล่า มีขายบ้างไม่มีโครงกระดูกนางงามจั ก, กรวาลยังมีโครงกระดูกเลยแต่ไม่มีใครมองเห็นกันก็เลยให้รางวัลเป็นนางงามจั ก, กรวาลถ้ากรรมการทุกคนเห็นโครงกระดูกของนางงามจากกาักรวาลก็รับรองนาไม่มีทางจะได้รางวัล น, นะใช่ไหม เ, เราเมอาไม่เห็นส่วนที่มันน่าเกลียดไม่น่าดูเพราะเราไม่เคยดูมันเลยมองไม่เห็นแล้วเราไปเปิด ตำนาดูไปเปิดหนังสือดูภาพของโครงกระดูภาพของตับไตไส้พ<น>ุงเฮะไปดูหนังสือของนักศึกษาแพทย์เนี่ยก็จะเห็นอ ว, ว, วัยวะต่างๆอยู่ตรงไหนสีสันเป็นอย่างไรออพอเห็นอย่างนี้แล้วพอต่อไปเห็นร่างกายใครก็นึกถึงภาพนั้นทุกคนมีอย่างนั้นทุกคนไม่ใช่อพอเห็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมหรือไปดูศอกก็ได้อืวันที่ ตอนนี้คนคนเป็นกับคนตายมันต่างกันอยงไรก็ต่างตรงที่ไม่มีลมหายใจนะใช่ไหมถ้าเกิดแฟนเราตายไม่หายใจคื น, คนนี้คุณยังจะนอยกับเขาอยู่เปล่าจะเก็บร่างกายเขาไว้ไหมแต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ยังทำไมนอนได้ก็ร่างกายอันเดียวกันเนี<ม>่ยต้องคิดพลิกแพงให้เห็นความจริงมันถึงจะเกิดความเบือ่อเกิดความกลัวเกิดความรังเกียจขึ้นมาได้ พอเราเกิดความกลั ว, วเกิดความังเกียดแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาให้มันลงกฎตายรักเองหรื อ, อว่ามันจ ะ, ะมันจะเข้ามาเองเลยไหมอาสุภาษณ์นี่ไม่ใช่ตังต้งตายรักอสุภาษนี่ก็คือมันน่าเกลียดมันมไม่จะจะไม่อยู่ครับใช่พอตายไปนี่ยกให้สับปเปลือกได้เลยใช่ไหมแต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่นี้ใครมาขอก็ไม่ให้นะค่ะกราาค่ะถ้ายังรักอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เห็นถ้าเห็นแล้วก็ไม่รักแล้วไม่ห่วงนะ ใค อ, อยากได้เอาไปเลยใค อ, อยากจะได้ตับไตไส้พุงของเขากเอาไปเลยใค อ, อยากจะได้โครงกระดูกของเขาก็เอาไปเลยอแต่ไม่เห็นเลยมันถูกหนังหุ้มห่ออยู่ปิดมิดชิดหมดเลยอเข้าใจไหมอ่าดงั้นต้องพยายามแกะแกะแกะหนังออกฉีกหนังออกอเพื่อจะได้เห็นข้างในหมดแล้วเนะี่ย